มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัดติยวัคเจตนาลักษณะปัญหาที่สิบเอ็ดถามว่า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 เจตยิตะลักคณะมีลักษณะยังตนและผู้อื่นให้ตรึกตรองซึ่งอารมณ์อภิสังขาระสถานะลักคณะมีลักษณะประกอบตกแต่งด้วยตนเองขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระนักเสนถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะ